<c oughs> ท่านทุกคนโดยใหญ่ะดั บ, บรับฟังกันมาโดยส่ว น, นใหญ่พวกเราที่มาประชุมกันในวันนี้ต่างๆต่างคนต่า ง, า ง, างมุ่งมาปฏิบัติใส่มาศึกษาเพราะด้านศึกษาตำรับตำราหรือสะดับรับฟังเรียกงว่าการศึกษา ท่านต่างคนเคยศึกษาเคยระดับพระปรางมาดางนั้นด้านศึกษาพวกเราเคยผ่านมาพอต้องควรหากความดีวิเศษจะเกิดขึ้ิจากการศึกษาการจำตำรับตำราด้วยสัญญาของเราแล้วเราทุกท่าน คงจะถึงมักมีกานกันเพราะต่าง่านต่างคนเลยจดจำได้าทางบางนี้ผ่านหรือรีมดแต่จิตของพวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านจดจำได้แน่นยำจิตของเราก็ยังมีที่เหนือตั้หานา น, านาที่จิอยู่ ไม่เช็นไปตามคําจจำที่เราจำมาฉะนั้นเราจึงจำเป็นในการปฏิบัติปฏิบัติกายใจของเราที่มันติดข้องที่มันขุ่นมัวที่มันเต่าหมองกำจัดปัดเต่าที่เหนตอาชวะ มีอยู่ในใจในวาจาในใจของเราใ้ตก อ, อกไปถึงเราจะจำได้หรือไม่ได้อย่างจำหรับํำลาถ้าหากความเห็นความเป็นเกิเกดขึ้นในตัวของตัวแล้วเป็นของที่มีคุณค่าสามารถที่จะยังตัวของตัวให้รับความสงบความเยอือกเย็น าตามอธิษานการปฏิบัติจึงเป็นของสําคัญยิ่งกว่าการกระดับรับฟังแต่การกระดับรับฟังนั้นก็เป็นของสําคัญคือการกระดับรับฟังเป็นแขนที่แต่การปฏิบัติเป็นผู้เดินตามแขนที่แขนที่จะบอก จุดนั้นจุดนั้นแต่เราจังไม่ไปกันผมไม่ตาสัตว์แขนที่เป็นอย่างหนึ่งเพื่อไปถึงจริงจังแขนที่กับความเห็นไปจากชาัดเจนในตาของเราจิตจังฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็คือลงมือทํทาจริงจังเป็นด้านการปฏิบัติส่วนตัวยี้อั่วจิตถูก หยาบละเอียดจิตใจที่ฝึกฝนอบรมบังคับปฏิบัติจะรู้เห็นเจนขึ้นจากตัวของเราเองตำหลักตำลาไม่เคยเป็นที่เหร่ตัณหาไม่เคยจะไปสอนนิทานขี้เหร่ตัณหาเกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นจากตายจากใจของพวกเราเมื่อเป็นเช่นนั้นตามปฏิบัติจึงควร ทีนี้ที่เจรนาเหงายตายใจขับไล่สิ่ที่เราไปกำหนดดีๆเลื่อมโยงต่างๆให้หมดไปการที่เจรนาขาบผันที่งพวกเราเคยยึดมั่นสำคัญหมายว่ายิงว่ายทางว่าจับว่าบุคคลว่าเขาว่าเราต่างๆเราต้อง เอาปัญญาเข้ามีติเจนาจืงจังยังให้เห็นตามความจริงของมันภาพขันอายะถานผู้ที่เคยศึกษาเพียงบอกแต่ว่าพ่อปกคองเข้าใจแต่ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาภาพคืออะไรภาพจริงผสมกันเท่าถึงสมมุตขึ้น ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นศาสตร์เป็นหยุ่นคนโดยส่วนใหญ่ที่เราสื่อันสมมติว่าก็คือขาดทางสีได้แก่ขาดดินส่วนที่คนสีแข้งสมมติว่าเป็นขาดดินส่วนที่ลี้วสีตาบสมมติเป็นขาดน้ส่วนที่อบกุล ก็มดเป็นผาดไฟส่วนที่พัดไปพัดมาพัดขึ้นทั้นลงเหยียบผาดล้มผาดทั้งสี่นี้มีอยู่ในตัวข้อพวกเรานอกจากนั้นก็อากาศทุกธาตีหวิญญาณแลกธาตุความรู้ต่างๆถ้าเรานี้ขานาที่เจน า, นากั น, กนจริงจังแล้ว เขาไม่เป like ็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นตัดไม่เป็นบุคคลแต่เราแยกออกด้วยสติปัญญาเพราเราจริงจังว่าอะไรเป็นคนผมหรือเป็นคนผมมันก็ไม่ว่ามันเป็นคนฝนมันเป็นคนฝนยังว่าฝนที่เป็นแต่เรื่องสมมุติแต่เขาเองพู้ทู่ถือสมมุติเขาไม่รู้จัก ว่าเขาเป็นศัพเป็นบุคคลเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นความผสมกันขึ้นมีขึ้นเมื่อมันมีการเกิดขึ้นตามแลง p u l ตามกระแทกของขันมันจะตรงมีแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดของมันเมื่อเราทราบและพิจารณา ใจิตเห็นจิตเข้าใจอย่างนั้นความําพันมันหมายว่ายิงว่าตายว่าสวยว่างามต่างๆมันจะหมดไปตกไปเพราะจิตดวงเดียวเท่านั้นไปลุ่มหลงไปเย็ดมั่นต้องกาญหมายทางหากมันเห็นมันเป็นขึ้นจริงจังในจิตในใจมันปล่อยมันวางไม่เย็ดไม่ขี่ วิเล็กจึงเกิดขึ้นจากจิตไม่ใช่เกิดขึ้นจากสิ่อื่ส่วนกายนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของจิตมาอาศัยแล้วก็ซื้อเอาว่าเขาว่าเราว่าตัดว่าบุคคลเมื่อจิตเป็นผู้ลุ่มหลงจิตเป็นหัวหน้าเหมือนกันกับหัวรถไปกายเหมือนตู้รถไฟจิต พาจิตรุงไปในส่วนดีตายก็มักยากแจะทำดีไปตา่างจิตวอกวรไปทางชั่วตายก็จะต้องปลูกไปตามจิดคือทำชั่วปลูกชั่วไปตามดังนั้นตัวสำคัญในพวกเราก็คือจิดจิดเป็นของสำคัญและเป็นของฝุดได้ไม่เหนือวิสัยสําำหรับผู้ที่จะ ยิ่นาเอาธรรมะออกฝึกหัดดัดซ้อมจริงๆริงยิ่จะต้องยอมจำนนยิจะต้องละสอนสิงๆยึดสิงที่ต่างๆไม่ต่างนะทุกที่เกิดมามีที่เกิดกันหามาหน้าที่สิเหมือนกันถ้ามีส่วนนี้ความเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์พอเกิดสิ่งใหม่ดับอหมด เชื่อหมดที่เหลือัญหาหมดอวิชาอุปาทานคนที่เกิดจึงมีเชื่อเหลื่องของที่เหลือัญหามานาที่สิทธิอวิชาอุปาทานเหมือนกันตรงนั้นแต่เมื่อเกิดมาแล้วผู้ที่มีความรู้ความตลาดเอาอัดเอาทำเข้าไปฝึกสอนจิตใจจนจิตใจของใสจิตใจละหอน ส่วนเรานั้นท่านก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นมีมุติทางเตไดบ้านมีพวกเราท่านทั้งหลายก็มีตามีจิตมีขาดมีผันืยองกันกับเทพบุตรเจ้าหรือสาว์แต่เหตุดใดยายเราพวกเราจึงเคยหลุ่มหลงหรือถอดถอนไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าด้านคิดอ่านด้านถอดถอนด้านอุปาทาน ด้านจิมานะด้านอวิชาตัญหาเราไม่เด็ดคอเคิดคิ ด, ค ด, น, คด น, นี้ที่เจรนาหาแต่เรื่องเพิ่มเติมให้จิตใจวุ่นวายบ่อควรตัวเองเรื่อยๆเหิดนั้นเรื่องจิตซึงไม่มีเวลาที่จะรู้เห็นแจ้งไปจากละสอนความขั่วต่างๆออกจากตัว มีแต่มัวเมาลุ่มหลงเชิดเอืสุนติดฟอกฝนที่สุดก่อนนักหน่วงตัวเองรับถุนตัวเองเดือดร้อนตัวเองแตกเขาตัวเองฉะนั้นพวกเราท่านจิตเจรได้ระดับรับฟังคำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อจงเอาติตเอาปัญญาเอาวิชาสื่อพระพุทธเจ้า เคยน่ยสอนมากำจัดเรื่องที่เหลสตัณหามาหน้าที่จิตมาสอนจิตข้าตอนให้รู้ให้เห็นให้เด่นชิดจากตามหัวเมาเข่าฝัญจากความเต้าหมองสองจิตให้เป็นจิตที่เยียบเย็นให้เป็นจิตที่ผ่องใสให้เป็นจิต มีดูเดนขึ้นจากการฝึกการอบรมของตนการฝึกการอบรมก็ไม่มีที่อื่นทีนี้ที่จะนเรื่องของการของใจนี่แหละเพราะคนเราขวไปโดยมากมากอยากรือเรื่องของใจกว่าเป็นของจำาคัญกว่าใจเหตดนั้นการปฏิบัติการ หน่งเอาใจใส่ทุกสทุกอย่างไปบานอยู่ขี่หลับขี่นอนหมอนมุ้งต่างๆตลอดเอาผมอาหารทานอยู่กินหามาให้สําหรับกายได้พักได้อาสายได้กินได้ดื่มสนุกสบายใจคิดเองได้วแบกหามาถึ่งเป็นอาหารของจิต สิ่งดีดีเสรสำหรับธรรมะไม่ควาดหาแล้วจิตจึงฝ่ายน้อยเงาไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ที่นี้พิจารณาอะไรลอาเป็นอาหารของจิตก็คือธรรมะอาหารมีธรรมะมีสติที่นี้พิจารณาตีสอเรื่องของยุ่งิตันหาเรื่องของของความยิดถือ ตายต่งางๆพิจารณาแยกแยะดูให้รู้ให้เข้าใจตามความจริงจริงของมันจิตนั้นก็จะมีความสงบจิตนั้นก็จะมีความปล่อยวางจิตนั้นก็จะมีความเบาความสบายการพิจารณาจิตด้วยกา 10, ราหาอาหารให้จิตให้ซือเป็นของสาคัญเหมือนกันกับเรื่องของกา เพราจิ อ, อย่างเดียวเท่านั้นแหละภาพเรามองภาเราหมา่ตกองเพือปฏิบัติตามโอวาทคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปล่อยเอาไว้ในจิตไปเพิดเิ น, น, น, น, นมัวเมาใ น, ใ น, น, า น, ใ น, นาเรือ่ i, องของโลกจิตจะมีคามเศร้าหมองจิตจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายไปต่างๆ เมื่อจิตเต่าหมองเดือดร้อนเราขอเป็นฟิกจะมีความจุขความสบายจิตเป็นของสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายจิตเสียอย่างเดียวสมบัติพัฒนาฐานช่องจะมีมากมายตายกองขนาดไหนก็รักษาไม่ได้คนจะมีรูปร่างกายตามสมวัติสวยงามขนาดไหน ถ้าหาจิตเสียจิตนิตรยอิดเ ก, ดดกิดบ้ากเกิดบ อ, อขึ้นหลืคนนั้นประหมดคุณค่าถึงร่างกายโรกเขาจะสมมุติว่าสวยงามขนาดไหนประหมดคุณค่านาจะประโยชน์ไม่ได้สมบัติภายนอกก็เหมือนกันถ้าหาจิตเสียแล้วจิตไม่ดีแล้วสมบัติส่วนนั้นก็ไม่มีความหมาย ดังนนเรื่องการฝึกอบรมจิตจึงเป็นของสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราท่านจะควรฝึกควรอบรมจิตทื่อฝึกอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้สมตามในธาตุสิวัสตังสันตุสาวร์คการฝึกการอบรมจิตเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน แต่ใ่คนอื่นจะมาเปดให้การเปิดจิตสนามฟืกจิตก็ 10, คือการที่นิจพิจะะารณาธรรมพิจารณาตัวของเราเรานี่แหละเป็นรูปปัรฉมส่วนอี่นๆด้วยตานา ม, มาทมก็คือหูหู้อยู่ภายใน <c oughs> ถ้าหเราไปมองที่อื่น หาที่อื่นก็จะไม่เห็นธรรมธรรมมันอยู่ในสถานสิ่งผู้ที่ดูผูที่รู้ที่เข้าใจในส่วนของตายของจิตจิตจังกู่นั้นมีวันมีเวลาที่จะละที่เหลือยันหาให้สิ้สุดเป็นมิหมดได้ขาเมารุมหลง ตามตำหลับตาราเกิดเชินไปตามลมปากของคนอื่นไม่ใช่ที่เจริญนาอวัยวะของตัวเองมันกลไม่มีเวลาจุจระถอนได้การขอนการละตามจากตามจดการจำจากตำหรับตาราการเห็นการรู้จากการปปฏิบัติ มีคุณค่าราคามหากิจันทเดียนนั้นพวกเราท่านที่มุงหนามุงตามาประพืชปฏิบัติจงสึกหัดอบรมตัวของตัวเอาสติกำหนดที่นิจจารณาเอาปัญญาแยะแยะแยะดูอะไรที่เราลุ่มหลงว่าสักปิบุคคล ว, ว่าสวยว่างามที่นิจจารณาติดตามจีงจัง ในตัวของพวกเรานี้มันสกปรกตัพ่ยิง่งกวาทุกสิ่งทุกอย่างมดูดพูดที่เขาเกียบ ก, กันในที่ต่างๆไม่ชอบไน่ยินดีมันออกไปจากที่ไหนไม่ใช่ไหลออกจากเนื่อจากตัวของตัดของบุคคลนี้ท่าจริงมนุษย์เป็นของสกปรกยิ่งกว่าตัดอืน่นเช่ด้วย เพราะสัตว์อื่นเนื้อหนังของเขายังมีผู้นิยมชมชอบหายได้กินได้แต่เนื้อหนังของมนุษย์ตายไปมีคุณค่าราคาอย่างไรไม่มีใครนิยมซื้อไม่ได้หายไม่ออกเป็นอาสกปรปกอาหารการสกฉันอยู่ท้ายนอกรสชาติหรือดดี เมื่อเข้ามาสู่ปากของเราปกเที่ยวโผลไปแล้วเราถีบลื่นได้เพราะอาศัยที่ไม่เห็นถ้าเราพายออกมาดูจะเป็นอย่างไรอาหารที่เราปกถั น, ก, น, นกันทุกวันนี้อยู่จินกันทุกวันนี้มันเป็นของสกรปรกโตขกอย่างยื่นนี่ตาไม่เห็นก็เลยลื่นลงไปได้ถ้าตาเห็น มันจะเป็นอย่างไรนี่แหลร่างกายของเราอยู่ด้วยฟองเน่าของเหม็นฟองสกปรกเราอร่อยอร่อยก็เพราะเหตุเราไปไหนที่เจรนาอยากถายจินจังอาหารจะมีเด็นขนาดไหนถ้าหากไม่มาคิดเข้ากับเรื่องน้ำลายของเรามันกกคืนไม่ได้จะต้องถูก น้ำลายนิมูล์พันต่างๆเยียก่อนถึงจะเคยตกลงไปสู่ลําคอหรือท้อของเราเมื่อตัวของเราเป็นของสกปรกทุกอย่างพออาหารเป็นของสกปรกเดี๋เราไปชอบพอยินดีว่าสวยอย่างนั้นงามใหญ่นี้เราจะอยู่ที่เจริญนามูลเกศของมัน ว่มันเป็นอย่างไรเลือดีมันมีอยู่ในเลือดในตัวของเรามันสวยไหมคนไม่มีเลือดนะเป็นอย่างไรเรายังไปติดเลือดไปชอบเลือดว่ามันสวยใน ง, งานอย่างนั้นหรือชายหยดย่อยไปผ่าไปที่นอนของเราเราสามารถจะนุ่งได้นอนได้ไหมมันโฉกโป๊ะหํามหมูกนามลายเนื้อกัน มนมีอะไรที่จะสวยสดงดงามภายในายของมันนี้พิจารณาดูให้รู้ให้พอใจเพื่อจะไม่ให้ใจหลงกรรหนักไม่ให้ใจหลงยินดีไม่ให้ใจติดข้องถ้าหากเราติดข้องอะไรยึดถืออะไรส่วนนั้นแหละเป็นใทยสำหรับตัวของเราเพื่อจะทำจิต ท, ทำใจพวกเราให้เดือดร้อ ถาหากเราปล่อยได้วางไดาไม่ยึดถือ ส, ส่วนใดส่วนนั้นไม่มีใครมีอันตรามันเย็นมันสบายมันเบายิดดูทุกอย่างผมพอรูอ้พอเขอ้าใจตมบัตรมีอยู่ทั่วโลกเป็นต้มบัตรของโลกแต่เมื่ออยู่ในที่อื่นยังเม่ตกเข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราไม่ถือว่าเป็นของของเราเขาจะเอาไปที่ไหน เราไม่มีการเสียอกเสียใจแต่มาจบเป็นอตัวเราเราถือเป็นกรรมจิตของเราแล้วสมบัติส่วนนั้นเข้ามาขโมยไปเสียใจร้องห้าเสียใจอาฆาตแตบุคคลคือเข้ามาล่วงเกินขโมยไปถ้ารู้จักเป็นอย่างนั้นในเรื่องธาตุขันต์เหวือนกันไปต่อว่าสมบัติส่วนอื่นถ้าเรายึด อะไรซ auto, ื ing, er ้ออะไรว่าเป็นของพวงเราใจของเราจะเศร้าหมองใจของเราจะเดือดร้อนเมื่อส่วนนั้นมันเปลี่ยนแปลงแต่ควรไปหรือถูกอะไรเข้าสู่เราไม่ปรารถนาจิตใจของเราเดือดร้อนก็เพราะความยึดถือถ้าปล่อยได้วางได้เท่าไรใจจะมีความเย็นความสบายไปเท่านั้นใหคิดทีนี้คืออะไรนาให้คิดทวน อยากให้มันไปยึดไปถือถ้าหาเป็นของเราเราบอกไปให้แชร์ให้เท่ามันก็คงบอกได้สอนได้ไม่บอกไม่ได้ไม่แชรให้ตายให้เจ็บให้ปวดมันตัวเจ็บกวปวดไปตามเรื่องของมันมันเป็นขันอันหนึ่งเป็นเรื่องอันหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องศึกษาแต่รู้ให้เข้าใจให้จบเรื่องของที่เหตตั้หะ ที่มันกาะติดอยู่ในจิตในใจของเราถ้าหากเรียนจบพิจารณาจบละหด้ถอนได้วางได้ถ้าหาพิจารณายังไม่จบหรือยังยังไม่ถึงความหลงก็ยัจะมีเกาะจิตเกาะใจอยู่เรื่อยไปการพิจารณาตายพิจารณาใจจึงเป็นเรื่องตามปฏิบัติ ปฏิบัติํำหรับละถอนความยุติไปใช่ปฏิบัติหามาเพิ่มเติมให้จิตหนักหน่วงปฏิบัติรู้เท่าไรวางปล่อยเท่าไรใจยิ่งเบายิ่งสบายจนวางสมุิได้วางโลกได้เมือ่อใดใจก็กจะมีความหลุดลอยออกไปจากโลก คาหมหลุดรอยหรือความพ้นจากโลกเป็นอย่างไรผู้ที่ปล่อยวางหน้จะรู้จักทั้งทั้งที่มีอวัยวะเนื้อตาอยู่เหมือนคนอื่นแต่จิตใจทัองทัพเป็นอย่างไร่ันจักครับจากกาปรปฏิบัติท่องทัแต่นั้นพวกเราที่ยึดติดข้อในเนื้อในตัวก่พืง พากันที่นี่ที่เรณาเพราะสถ า, สถานศึกษาไม่อยู่ที่อื่นมีอยู่ในตัวพวกเราที่เลสคือความเศร้าหมองมันมีอยู่ในสถานที่ใดเรารีบกําจัดออกไปจากสถานที่นั้นเพราะสิ่งอื่นไม่ใช่จิตเลสแส้งะาอหัวหมูตามไม่ใช่ที่เลสนะ พาพิ่เจรณาแล้วตัวโจริงจังก่อเคิดจิตพาจิตหมดเรื่องเรื่องแส่งขาอาไว้บ้าหูตายังมีอยู่หมดเรื่องไปดูดื่ดยๆไปตามๆกันไม่มีอะไรจะเกิดมีเหนตั้เหาุยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านสำเร็จเป็นพระอรหัสตอาหารหันต์ไม่มีที่เหลือส่วนใด จะไปติดข้องในทะไทยของพระองค์พระองค์ยังทรงที่ยึดอยู่ไปแต่ถานที่ไหนกว่ามีที่เหลือตั้งหารบควรท่านทั้งัๆที่การมีอวัยวะเหมือนพวกเรามีหมายถึงใจที่บริสุทธิ์ที่หมดที่เหลือส่วนอื่นกว่ามันเป็นที่เหลือขึ้นจึงเป็นปัญหาต้องถาม ที่พวกเราทุกท่านจะพิจะะารณาสําระมันพอจิตมันไปหลงความหลงก็ไม่ยากคิดอยากจะให้กำหนดดันดีๆก็ได้คิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้ว่าดีอย่างนั้นสวยอย่างนี้งามอย่างนั้นมันก็เกิดกำหนันดีขึ้นได้คิดให้มันละความกําหนัดยินดีกว่าคิด หาความสิ้นท่องมันอะไรมันสวยอะไรมันงามพิจารณาติดตามเข้าไปจริงๆจังๆถาดอันนี้มันไม่มีความหมายอะไรไม่ว่าถาดยินถาดลมถาดไฟมันไม่มีความหมายถาดจิตใจไหนหลงจิตใจรู้มันไม่มีความหมายความกํำลังยินดีของจิตตังหาที่ทํากายหน่ย ย, ยึบไปจิตไปชอบอย่างนั้นยินดีอย่างนี้เป็นเรื่งองทองสิตพอสิตออกจากล่างไปเท่านั้นจะเอาไปเชิญกันไว้ทั้งหญิงทั้งชายไม่เห็นเขากำลักยินดีในต่างและกันมีแต่หน้าที่จะเสียน้าไปอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมชาติเท่านันไม่มีใครจะไปเกิดเชิญ มัวเมาเฝ้าฝันจะเป็นคนประเทศไหนสวยงามอย่างไรเคยเป็นนักยงตามมาอย่างไรไม่เป็นไปขาดจิตเลยนี่ก็กรู้พอค่อยใจได้หลืเป็นเรื่องของจิตจิตทำไมถึงไปหลงไปเชินอย่างนั้นก็เพราะจิตสำคัญหมันหมายมีทำตำระาต่างๆ ยึดไปตรุงไปด้วยอำ น, นาจของที่เหตุกัรหาผักดันแต่มันก็ผลักด้านได้แต่สำหรับคนที่ไม่มีอาชธรรคนที่มีอาชธรรแล้วที่เหตุกัรหามันฟัวมันที่นี้ที่เจรณาให้เห็นตามเป็นจียงอย่างอย่าไปหลงมัน ความหลงไม่ใช่ทางนี้เวลานี้ก็เป็นเวลาที่พวกเรามาตัดสิปฏิบัติกันตั้งหน้ากําหนดทีวิตที่จรณานให้จิตมันเห็นมันยอมจำนนวมามันเช็นอย่างนั้นจริงจังจิตเป็นคนหลงจิตนั่นแหละจะเป็นคนรู้จิตเดือดร้อนจิตนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เหยืยบย่ยินทางอักบุต ฝึกอบรมผุตามเรื่องของธรรแล้วทำเคยชำระเคยสะสารนิยตัญหาของมนุษย์มานับจำนวนไม่ถ้วนไม่ใช่แต่สมัยปัจจุบันสมัยพุทธศักราชการชำระมาแล้ว ผู้ที่ตั้งน้ า, าต่างๆต่อเพื่อปฏิบัติในสมัยปัจจุบันท่านก็รยึดคุณค่าของคำว่าเป็นสิ่งที่ตราบตรามที่เดีอดกันนะตราตรามอวิชาอุปาทานเราทุกท่านที่มุ่งมั่นมาต่อเพืปฏิบัติเราอย่าลืมอาวุธอาวุธตัวไม่ใช่อิ่มไกลเมื่อสติเื่อปัญญาสติพัฒน์รู้ ครรู้ในเวลาติดคิดคิดจุงต่างๆปัญญาเนี้ยสอนว่ามันผูกคิดอย่างไรคิดไปจะเป็นโขดเป็นไทยิดข้องหรือเป็นเรื่องละหนึ่งก่อนอในสิจารณาเสียก่อนอย่างเช่คอยคิดคอยทำคอยฝูกฝัเมื่อกูที่นี้จะมีปัญญาพิจารณา อยอย่างนี้วิเลตการหาจิตเคยมีอยู่ในจิตในใจนับวันนับเวลาที่จะตกออกไปนะให้มาตั้นคายปเจฏิบัตินับก็อาอย่างนี้เนป็นงที่เกิดนับปฏิบัติสารมาเนเรา ปฏิบัติธรรมนะของรอทัน ท, ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาทำมห้หวังตั้งใจกองผู้ใหญ่พ่อแม่ของมูออยากจะให้หลูกหลานของตนที่เขามาบวชมีความมีความดีเยือเทลายทุก ด, ด้าน ฝ่ายโลกฝ่ายธรรมามุ่งหวังาใจของครูใหญ่ให้เข้ามาศึกษาให้เข้ามาปฏิบัติเราท่านมีโอกาสดีเข้ามาเปฏิบัติในวัดในคณะของครูอาจารย์ะเลที่เราอยู่ในวัดใส่ปฏิบัติอา เปนผีเป็นสารไม่ไหมไม่มีการอัดข้องเรื่องอะไรเราควรจะพิจารณาแก้ไขให้ความผัดข้องเหล่านั้นตกไปในตั้งใจของการปฏิบัติสะดวกสบายธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรอี่จากกาจากใจของพวกเราดังนั้นการศึกษาการปฏิบัติ ก็คือปฏิบัติกายรายจาใจเท่นั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่ศึกษาและการงานด้านอืนอ่นของศึกษามมเนนักบวชพอมีอะไรนอกจากจะมีสติกําหนดใจของตนว่าเป็นอย่างไรจเจริญหรือเสื่อเมเป็นฝ่ายผู้สนเลือกอุสนเป็ฝ่ายโลกหรือฝ่ายธรรมจะต้องมีสติ ตอบจินติจรารณาอยู่ทุกระยะเวลาในปล่อยให้สัญญาอารมณ์ส่วนอื่นดึงเอาเวลา ว, วันให้เสียไปเมื่อผู้ใดมีความใส่คิดทินติจารณนาศึกษาศึกหัดดักแต่สีปัญญาของตนอย่างนี้จิขอตของตนจิ่เคยสายแต่บุญวายไปท้ายนอกพอจะจับเข้ามา อยู่ภายในจะมีความเยือกเย็นทางใจของตน ม, มาอย่างนั้นวันคืนที่ผ่านไปความมดไปป่ามัเป็นสาประโยชน์อะไรให้การบวชเลยไหนมีคุณค่าราคาอะไรอาจจะเกิดสงสัยในตัวเองว่าเราไม่มีวาสนาเราบวชเป็นพระเป็นเนรปฏิบัติอัตธรรมไม่รู้ไม่เห็นอะไรอาจจะเมาไปอย่างนั้นก็ได้หรือไม่อย่างนั้นก็จะ เหมาไปว่าการนี้สมัยนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าร่วมรัมบขันธาริมทานไปนานแล้วมรรคผลธรรมวิเศษคงไม่มีความเขาใจ ส, ส่วนนี้จะเกิดขึ้นเพราะไม่เห็นไม่เป็นในตัวฉะนั้นทุกท่านที่ตั้งหน้าต่างตามาปฏิบัติอัดทมจงพากันหยบเล่นควงนข่ต า, าเตียนใผ่มากเข้าจะไปนอนหลับพับิ เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องควรอย่างยิ่งที่พวกเราทุกท่นานจะขยายหันเพียรในการภาวนาเพราะร่างกายปล่อยยังไม่มีการเจ็บป่วยอะไรคอย ะ, ะต่ต่างหน้าต่างตา็ราเพื่อปฏิบัติได้ยิ้มปาอากาศฝงเือนกันเหม่ร้อนนักเหน่งหนาวนั สมควรแล้วที่พวกเราทุกท่านที่มาบวชในศาสนาจะที่จะแลนากลับปรุงตัวของตัวให้ดีขึ้นไม่อย่างนั้นจะเสียวันเสียคืนเสียเดือนเสียปีไปปังการปฏิบัปฏิบัติอย่าไป ค, คิดว่ามันยุ่งมันยากมันลำบากลาคคํานาอกให้คืดเที่ยวว่าการปฏิเัติปฏิบัติเพื่อตัวเองจึงจะลำบาก ยุงยากขนาดไหนก็เพื่อกายเพื่อใจของตัวให้รับความดีนิเศษให้รับความสุขความสบายต่าเขียนเรื่องภายนอกยุงยากลาบากทำไปนิดไปห น, น่อยก็คือว่าตัวได้ทําเพียงเท่านั้นมาเป็นเรื่องขัดขวางการแต่เพศ่อปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะไม่มีวันเวลาที่จะทำพ้นไปจากที่เดิมหาไดา้ ดังนั้นการเน้นสอนใจของตัวเป็นของสําคัญเพราะเราทุกท่านมุ่งมั่นจะมาปฏิบัติปฏิบัติไม่ใช่ว่ามาเล่นมาเพลินมาหลับมานอนให้สอนตัวอยู่ทุกการทุกเวลากำหนดศึกษาในตายในใจเป็นของสําคัญกายใจของตัวเราท่านเป็นบอ่อเกิดของทวามหลุ่มหลงเป็นบอ่อเกิดของที่เหลืัญหา ในใจที่เหนือตันหาลั่วไหลเข้ามาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากตายจากใจของนั้นตายข้ามมีกําลังเขียวแดงดีก็มักยากจะเกิดที่เหนือตันหาสวมทับใจได้ในเมื่อเรายังไม่ถึงที่สุดซีมุติเนธามเป็นอย่างนั้นเหตดนั้นการฝกขังหรือหลับนอนเป็นเครื่สงส่งเสริมที่เหนือตันหาอย่างนั้น จึงจะ ท, ทําวิตใจให้ฟุ่งเฟือไปต่างๆนานาเพราะอานาจของร่างกายของเราแข็งแรงดีกอ เ, เลยชื่อว่าจะไปทําอันนั้นทําอันนี้นได้สะดวกสบายเพราะร่างกายมันเป็นอาวุธอันหนึ่งเหมือนกันกับโจนมีอาวุธย่อมกล้าที่จะไปปล้นขี้ในที่ต่างๆยากใจเมื่อมีกายเป็นอาวุธเือกายเป็นกําลังดี ไม่ปวยไข้ไม่ออดแอไม่เม็ดเหนื่อยกิจจะพุ่งปรุงไปต่างๆนานาเกียนนั้นการผอมชี้เหลือตันหาท่านจึงใทยมีสติปัญญาที่นี้ที่เจรนาผอมสีจะหาวิธีใดที่จะแนะสอนใจท่องตนให้ผอมสีชี้เหลือตันหาได้ผอมกายและผอมใจได้โปรดต่อหาวิธีสอนอน วิธีสอนคนคนอื่นสอนให้เป็นวิธีของคนอื่นตัวของตัวคิดได้สอนตัวเองนั่นแหละเป็นสาระประโยชน์มากหากในที่นี้ที่จรนาเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะดกดีประเสริฐพิเศษได้การปฏิบัติจิตใจใจก่อเคยคิดปฏิบัติกันมาสำหรับครูอาจารย์ต้องผานมาก่อน ว่ามันเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแล้วคกลมขีดวยวิธีใดนั่นเป็นเรื่องของท่านเราผู้มาต้องฏิบัติจาดําตามท่านที่มีพิจารณาตามท่านและผมที่เดือดตัณหาเอาไว้ไม่หาใจพุ่งปรุงไปภายนอกกาห น, อนดอยู่ในกายในใจสม่ำเสมอไปกายใจสี่เคยพุ่งเฟอเือ่เฮือไปตามอารมณ์ต่างๆจะได้รับความสงบ เบาสบายขึ้นเพราะวิเดตนหามันเกิดขึ้นจากสิ่งนี้ไม่ได้เกิดมีมาจากสิ่อื่นถ้าหากจิตของเราดีจิตของเราสงบส่วนอื่นมันก็สงบส่วนอื่นมันก็สบายไปหมดจิตของเราฟุ้งจิตของเราปรุงเดือดร้อนส่วนอื่นก็ลอยเดือดร้อนไปตามดังนั้นข้อสำคัญจิณอยูที่ตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างเดียวนี้เราขาดอะไร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทํารักผลยึดทานให้เกิดขึ้นไม่ได้กายพวกเรามีหรือไม่ใจพวกเรามีหรือไม่ผูดถึงสตินี้อยู่ในที่ไหนวิริยะตามเทียนมีอยู่ในที่ไหนใครจะเป็นคนทําทหากตัวพวกพวกเรานักปฏิบัติจะไม่ไม่ทำํำในที่นี้ที่เจรนาสอนตัวสม่ำเสมอไปเพราะทุก อ, อย่างพร้อมมูลบริบูรณ์อยู่แล้วนี่แต่เราจะลงมือทํา ใ่้เห็นมักเห็นผลเกิดขึ้นในตนของตนเถรนั้นการเห็นการเป็นในตัวเป็นของมีคุณค่าเชื่อมัน่นไม่หวั่นไหว้ายจะพูดจาปลาใสอะไรไม่มีการหลงเดิมไปตามเขาไม่มีการเยียงไปตามลมปากของคนเพราะมักผลที่ตัวเห็นตัวเป็นมันกระจายอยู่ ในตัวของตัวเองดังนั้นการปฏิบัติศาสนาที่จะรู้เห็นเต็นขึ้นกาอา็อาศัยสติอาศัรรยปัญญาเป็นสันเลขาธรรมคือกำจัดปัสสาวาจิตใจหัดเปล้าที้เหลอดตันหาให้ตกออกไปนิดหน่อยจนจิตใจเกิดควมบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นพอจิตใจเต็นของหัดเปราได้ใจเหลือ ใ, ใสอสะอาดสติ ทีนี้ทีะนะ่เจอเน่ยมีปัญญาแนสอนตัวทางฮะปล่อยเอาไว้แล้วแต่มันจะเกิดจะเป็นจะเห็นเจ้คนนั้นอยู่จนกระทั่งวันตายก็จะไม่เกิดความดีมทีเสียชีวิตไดสมาชิกเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรอาชีพศีลอธิีจิตอาิปัญญาเป็นอย่างไ ร, งไรมรรคผลมิตรทานเป็นอย่างไรจะมีความสงสัยตลอดไปพอจิตใจของตนไม่เห็นไม่เป็นหากจิตใจของตนรู้เห็นเป็นขึ้น คนอื่นเขาจะมาพูดอย่างไรตามเห็นข้างใจของตัวเชื่อเองเข้าใจเองเป็นปัจจจตางไม่มีการบัณไว้ไม่มีการเชื่อไปตามลมปากของเขาหนี้ไถยานเกิดขึ้นแล้วในตัวของเราด้วยการต่อพืชไปฏิบัติเมื่อเห็นชัดเข้าใจจีจจิงอย่างนั้นท่านคนนั้นแหละจะอยู่ในสถานที่ใดมีความสุขใจเพราะ ไม่มีที่เหลือการหาไม่มีอริชาอุปาทานเข้าไปเกี่ยวขแฝง จ, จิตใจวงนั้นมีความสว่างสวัยมีความบริสุทธิ์ผุดของอยู่ทุกตามทุกเวลาถึงร่างกายจะป่วยไข้ได้ทุกขนาดไหนใจที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีการบั่นไหวไม่มีเคยไม่เคยมีกา ร, ารเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุใดเพราะ ควาบริสุทธิ์นั้นไม่ใส่ผ้าไม่ใส่ขันไม่ใส่โลกสมุดเป็นความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์อยู่ในแผ่นผูกแบบปัจจุบันได้สี่จึงไม่มีการเสียหายไปตามการตามเมลาไม่เสียไปตามเรื่องของผ้าขันยังคงเส็นคงวาอยู่อย่างนั้นร่างกายจะตายไปแผ่นก็ไม่เสียใจเพราะร่างกาย เกิดมาตัวต้องนีการเสื่อมสลายเป็นธรรมดาของมันขณะทีพิจรณารอบข้อบส่วนเหล่านี้เราควรพยายามไม่ถึงมีมุดที่สุดของธรรมจันตัวต้องตัง้งหน้าต่างตาที่รารณาอุตสา์พยายามกำจัดจปัเสาที่เหตุ่ัสหาด้วยความขาดความเพียนข้องตนอย่าปล่อยวันเืนทีเดือนให้หมดไปปล่าจะเสีย ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นดีดามานดามุ่งหวงังตั้งใจอยากจะให้ลูกของตรวออกมาประพืติปฏิบัติอาธรรมตัวเป็นผู้ดีดีเด็ดตัวพวอเราก็มานอนหลับทับผิดไม่ไดจคิดได้รุงแกไง้ไขเรื่องตายเรื่องใจให้ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นไม่ได้การที่จะดีขึ้นก็เพราะอาศัย ตัวข้องตัวมุ่งหน้ามุ่งตาไปเพื่อปฏิบัติดีั้งจัดชั่วอยู่สม่ำเสมอจิตใจจึงจะฟองใส จ, จ, จึงใจเยือกเย็นจึตใจเป็นธรรมนี่คำเตือนที่ทุกคนควรจะทีนี้ที่เจริญนาแนะนตัวของตัวเพราะพวกเรามุ่งหน้ามุ่งตามาไปเพื่อปฏิบัติในใจมาเล่นมาเตินมาคุยมาหลับมานอน อย่างแค่นะั้นรเขาบอกทำกันได้ของที่ดีวิเศษนั่นแหละเป็นของทำยา้เมื่อทำได้จะมีคุณค่ามากสูงกับาการแต่ทำบ่งเพ็ญของตนคนที่มีความดีวิเศษได้โดยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยศรัาทธาความเชื่อคือเอชื่อพระพุทธเจ้า ว่าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ุดของปีพูดอะไรออกมาตัดอะไรออกมาเป็นภารายจารถิมุนีกระดิบเป็นที่เชื่อถือได้าทาคําำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวามาิจตธรรมนาผู้ประพฤตสสปพิปฏิบัติให้ถึงที่สุดมีมุนีทานได้สิสงสาวัคคูประพฤติ์ดีปฏิบัติชอบเป็นถูปฏิปโนถูกปฏิปโนญาญาสามุนีจิ พอต้องตั้งหน้าตั้งตาทินีกคิดใจนากายใจส่วนนี้จนจิตใจละขอนส่วนที่เคยติดห้องดจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานมีความต่างนาคาเผยทุกการทุกเวลายังมีอยู่ในโลกหากผู้ปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นูุปฏิปันโนไม่เลือกว่าจะเป็นพระเป็นโยม เป็นไทยก่อตาม5าิตเข้าถึงความดีลิเศษราชิเดศ้อนปัญหาออกได้ในนิยมเทศในนิยมไว้เป็นสุปฏิปันโนรวยการทางนั้นการรู้เห็นเป็นขึ้นคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อทำจริงจังแล้วผู้นั้นแหละ ยังไม่เห็นไม่เป็มก็จะเห็นจะเต็นขึ้นเมื่อเห็นเต็นขึ้นก็เรียกว่าสุปฏิปันโนผู้ที่ควรแกร่จักราบบูชาจา่าว่าผู้ที่เป็นเมื่อนาบุญของโลกด่าถ้าหากเพียงแต่เพศเหลือๆเข่าๆเสียแขวนั้นไม่ไปฏิบัติกันแล้วสุปฏิปันโนก็ไม่มีในตัวของบุคคลเหล่านั้นและคนเหล่านั้นจะพูด ว่าเป็นสาวคของพระพุทธเจ้ายังไม่ดับพรอะกายใจยังประพฤติชั่วยังคิดติดอยู่สุปฏิปโ น, โนหมายถึงฝูปฏิบัติดีมีทางกายมีทางวายะการมีทางใ จ, งงใจมุ่งหวังต่อคุณลิเเสตมันตม่นเสมอไปทุกอาตศิริย า, ท, าที่ทำที่พูดทคิดมุ่งหวังแต่จะให้จิตของตนสงบระงับดับที่เส ไม่ใช่คิดปรุงปรุงไปตามอำนาจผักดันของขีดตันหานีไ่ได้คือว่าเป็นสุ ป, ปัจจิปโนถึงยังไม่เห็นไม่เป็ น, ไ ม, นไม่รู้คนนั้นแหละไม่วันใดกวันหนึ่งจะถึงความขีเห็นขึ้นจากการปปนนนนต่อตือออนะ้นปฏิบัติของตนเพราะอุตุปัจจิปโนปฏิบัติตนต่อทำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างนะถ้าหากไม่ประพื้นปฏิบัติอย่างนั้น ขาดฉันหรือเพศน่าปวดจะไม่มีคุณค่าราชาอะไรเพราะเพศเหล่านี้ไทยเขาขอทํำออเดอร์ที่เดดจันหาไม่ตัวสําหรับคนที่ทําชั่วคิดชั่วหรือนอนใจแต่ผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีพระสัทธาความเพียรในใจที่เดชจันหามันตัวเพราะผู้นี้ มุมหน้ามุงตาจะฝ่าฟันกับเรื่องที่เดือดร้นหาเสมอไปใจจะมีความว่าหานในการ ป, รปฏิบัติทุกคนที่มุมหน้ามุงตามาปฏิบัติปฏิบัติควรที่ให้ที่จะรด้นะอย่าให้วันเวลาผ่านไปเปล่าเอาความดีจากวันเวลาเอาความดีจาก การประพฤติปฏิบัติกายใจของตนเท่ดไรไม่อย่างนั้นจะเสียใจไายหลังเพราะร่างกายนะวันที่จะตรุดตูดโตมจะเท่าใจแกะหรือไม่อย่างนั้นโครคไข้ไข้ดเจ็บต้องมีเลือดไวที่จะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้เราทุกคนไม่มีโครคไข้ไข้เจ็บอะไรพรที่จะเป็นอุปสรรคของใจพราที่จะประพฤติปฏิบัติได้ตามคาแนะนำํำคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรียเนเรือร่องคล้ายๆกอบควยแต่ทบําเพนในเวลานี้เวลาอื่นก็ไม่แน่ว่ามันจะเป็นไปอีกอย่างไรฉะนั้นจึงควรสอนใจข้องฝนควาเพลิไปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เป็นขึ้นความสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นของอัศจรรย์พิเศษประเสริฐขนาดไหนจะไปคับใจเพราะปู่รู้ปู่เห็นไม่อย่างนั้นความเชื่อก็จะงม ง, งายหรือสุ่มเดา เราต้องเชื่อดยการเห็นการเป็นของตัวเองจากการต่อสู้ปฏิบัติจึงจะเป็นค้างเชื่อที่แน่นอนเป็นอจาาาัจฉริยะอัตชหรือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวใครจะขูดจ้าตาไสหรือยกโทษอย่างไรด้วยอนนานาจคนความดีที่มีอยู่ในใจเห็นไปจากชัดแจ้งอยู่ จะไม่มีการหวั่นไหวลุ่มหลงไปตามเด็กของเขาเพราะลมปากของคนดีทั่วมันชมได้นตนหืดดิได้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็เคยโดนตำหนิมาเหมือนกันทั้งทั้งสี่พระองค์บริสุทธิ์ฝุดพองอยู่แต่พระองค์ก็ไม่อตรงหวั่นไหวไปตามลมปากของเขาเมืเราเมื่อเห็นเมื่อเป็นยิ่งขึ้นจากจิตจากใจเหมือนพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างพระพุทธเจ้า คือไม่บันไหวต่อโลกแต่ทำความเจ็นความเห็นไปจากชัดเจนอย่างไรจะแปลกทับในใจของตัวเองเรื่อรูปเสียงเสียงลดต่างๆซึ่งเขาียอมสวมชอบกันโลกเขา่ารือกันแต่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติรู้เห็นชัดเจนตัวการพิจารณายแอบายแล้วจะไม่มีการลุ่มหลงหรือติดข้องในส่วนนั้น ดังนั้นการศึกษาการปฏิบัติท่านชี้ให้พิจารณาเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่อันอื่นเกิดเป็นที่เดือดตัณหาไม่ใช่อันอื่นเกิดเป็นวิชาวิมุตต์เพื่อจิตใจดวงนี้เองคมกวอยู่นี้สั้นกวอยู่นี้ชาเป็นหิึ่งไม่ใช่อยู่ที่อื่นการศึกษาจึงไม่ควรจะไปสงสัยลังเลใจเพราะเรามีกายมีใจ เหมือนตอนพุทธเจ้าหรืออริยสาวไม่ขาดตงปกทั่องอะไรทุกอย่างเราข้ามอมูบอลบริบูรณ์อยู่แล้วคนที่จะเนะสอนตัวเองใาห้สร้างานในการต่อเพื่อปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนท้องตนและเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นกัื่นที่ได้สาบานจักราบูชา เป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกด่้หากเรา น, ะานักปฏิบัตินักปวดไม่ว่าทำตามดีไม่ยอมเสียสละเหียนแกการหลับการนอนการเด่นการเดินล้วคนอื่นภายนอกเขาจะเลืม่มใสศรัทธาได้อย่างไรเพราะเพศนี้เป็นเพศที่เสียสละเป็นเพศทีท่ต่าหน้ามาประเกิปฏิบัติแต่อาตมาพิริยาท่าทีทุกอย่าง เคเป็นฆราวาสอย่างไรเข้ามาเป็นชะเป็นเนรก็ยังเป็นอย่างนั้นจะเชื่อว่าเป็นนิสัยบบนิสัยติดเทียนปนติดเทียนเลกควรละถ้าหากเป็นนิสัยจริงจังอย่างถ้าอับ ถ, า, ถาสาวกหรือปู่บริสุทธิ์แล้วนั่นเป็นนิสัยจริงท่านไม่ต้องล่าวังสงสัยเพราะนิสัยของท่านเป็นอย่างไรท่านไม่ต้องทับส่วนใดที่ไม่เป็นไปเถื่อโลภะว่าซักถึงสาวโลกเขาจะติ ชินมิ น, านพาท่านปล่อยไปตามเรื่องนี้ใสของท่านเพราะท่านหมดโทษหมดชี้เล็บจะรักษาให้ดีก็ไม่ดีได้จะทําให้เสียมันก็เสียไปในหได้เป็นเรื่องนี้ใส ต, ตายตัวนีเราไม่เป็นอย่างนั้นทั้งสี่มีภาพมีขันมีกายมีใจแต่ชี่เล็บตันหากาแฝงอยู่ภายในทาอะไรยังเสืออนไปด้วยชี้เล็บตันหาให้ชำระ เร่องที่เดือดดันหาออกจากใจทําดีจนให้ใจถึงที่สุดมีมุดนิสทานนิสัยของเราเป็นอย่างไรจะเข้าใจในเรื่องนิสัยตนเองโดยไม่ต้องไปดัดแส้อีกเพราะเป็นนิสัยหรือว่าไม่มีที่เลือดดันหาเข้าไปเจือแข็งมีเรื่องของนิสัยส่วนการที่มิตรเจรณาเรื่องกายใจ มันมีทางที่จะแยกแยกที่ทิศไรณาได้าตามนิสัยวาสนะตามสติปัญญาของตนคนที่หลุ่มหลงกันเถิดเทินเฮิ์นหันต่างๆตลอดถึงสมบัติทัศจรรย์ภายนอกก็ออกไปจากกายจากใจถ้าหากไม่มีกายมีใจแล้วสมบัติส่วนอื่นจะมีมากมายหลายหลวงขนาดไหนไม่เคย เป็นไทยเป็นเรียนไม่เคยทําความดีใจเสียใจให้แก่ไทยเท่านั้นสมบัตรเป็นสมบัติถ้าพิจารณาใจตายพิจารณาใจแย่งชัดเรื่องสมบัติไายนอกเป็นของสี่สิ่งสี่อาใส่ไม่หนึ่งมีชีวิตเป็นอยู่เรื่องของกายที่เราร่วมหลงก็คือเราในเด็พิจารณาแย่งไทยเข้าใจว่าตายจะเป็นของมั่นคงถาวรหรือเข้าใจว่าตใจนี้ เป็นของผี่เป็ีโรคไตเบียดเบียนหรือส่วนใจว่าอกายเป็นของผี่สะอาดสวยงามด้วยความไม่พิจารณาแยกธายอย่างนั้นจึงลุ่มหลงเพิดเพินไปในเรื่องของกายแล้วเมื่อลุ่มหลงในตัวฟ้องตัวส่วนสิ่งอืนน่นภายนอกก็คอยลุ่มหลงไจตามเพราะตัวเป็นปะนัะการแต่นั้นการพิจารณ า, า, าใจการพิจารณาใจจึงเป็นของทัง้ำซ้ำเป็น ของผู้นักปฏิบัติทุกท่านจะต้องสนใจในควนมองข้ามเพราะอันอื่นออกจากกายจากใจทางนั้นที่ร่วมหลงผัดค้องก็คือร่มหลงเรื่องกายเรื่องใจของตัวแล้วก็ อ, อื่นย่อมเกิดขึ้นติดตามมาเป็นผลคอยได้ดัะนั้นการพิจารณากายจะแยบคลายเท่าไรใ้พิจารณาลงไปแยบคลายท้งที่สุดท้องมัน ว่าธาตุขันอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้ น, นจากของตัวประกหรือฟองสวยๆงดงามมันจะตั้งมั่นดูได้ไหมหรือมันจะแปรปรวนไปอย่างไรพิ่เจรนาดูทุกซ่องทางให้ผิดยอมจำนวนเห็นชัดไปจากแล้วมันจะละจะถอนเหลือฟองตายไปเองพอมันเห็นชัดไปจากอย่างนะั้นถ้ายังไม่เห็นชัด ยังไม่ยินพอในการที่จรณามันไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็นีแต่การจะลุ่มหลงเมือม่อมนทับผมรับจิตใจของพวกเราท่านเช็นอย่างนะั้นความลุ่มหลงเพิดเพินม่ตายเป็นของใหญ่โตสามารถที่จะขอบโลกได้โลกทั้งสามี่ท่านกล่าวเอาไว้เพราะเพราะหลงกายหลงใจของตัวเอง ถ้าผู้ใดที่มีปัญณาแก้มแจ่มชัดเจนเห็นไปจับเรื่องท้องใายจะเหลืออยู่ในเรื่องท้องใจที่ไปติดข้องทนเลยว่าสุขสบายอย่างนั้นอย่างนี้ติดนิดๆติดทางละเอียดท้องใจส่วนนั้นน้อยหนักหนาสําหรับบุคคลผู้บริสุทิปฏิบัติ เมื่อไปถึงจนั้นขั้นนั้นสติปัญญาอันละเอียดจะตามที่นิจเจรณาเข้าไปรับไล่ความอง่ใช้เยึดมม่นต่างๆจนทำลายความรุ่มหลงเกลื่อนิชาให้หมดจากใจได้นี่ข้อสาคัญก็คือเรื่องของาจที่พวกเราท่านยังรุ่มหลงกันอยู่เพราะจิตยังอยู่ในขั้นมูล กันไปผมควรศึกษาควารพิจารณาให้แบบชัดให้คอใจเรื่องร่างกายชาติเดียนเทียก่อนเมื่อมันหมดความสงสัยในเรื่องส่วนนี้มันจะไหลเข้าไปเรื่องของนามธรร ม, าามทุกคนที่ที่นี้พิจรารณาจะต้องพิจรารณานีไม่ได้พิจรารณาไปที่อื่นเขาพูดไดเจ้าก่อนจะตรัสรู้ท่านก็พิจารณาการดูลมหายใจเขาออก นอกจากนั้นทุกท่านที่เพื่อไปปฏิบัติอาจทำเกี่ยวกความสลุดพ้นไปจากที่เหาเจะต้องพิจเจรณาไม่เกี่ยวก้องตายท้องสิบแต่จะคิดเจรณาที่อื่นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราท่านผมยิด้วยการทุกคนไม่ควรจะไปสนใจเรื่องอื่นยิ่งกว่าตายท้อ ง, งสิบท้องสนวันหนึ่งๆมันเป็นอย่างไรเรื่องข้องตายเราเดี๋ิจเจรณาแยบาายลได้ไหม ใจมันปรงุงมันคิดออกนอกกายไปพิจนารณาส่วนอื่นเรื่องอื่นมีโอกาสเวลากับการพิจนารณากายอะไรมันมากกว่ากันถ้าพิจนารณาใจมากใจจะมีกําลังถ้าพิจนารณาภายนอกมากปรุงปรุงไปเรื่องอื่นใจจะไม่มีกําลังทีเดือดเสียท่วงครับไม่มีเวลาที่จะสุขจะสบายได้ แต่นั้นกายก็เป็นของของตัวนี้อยู่ทุกคนหน่วยกันที่จะที่นี้ที่เจรนาที่เจรนาจากชี้ศะลงไปหาหุ่นเท้าหรือพิจารณาจากหุนเท้าขึ้นมาหาชี้ศักพิจารณาทางหลังหาทางหน้าพิจารณาทางหน้าไปทางหลังพิจารณาให้แยกทายจะจัดใจใจออกไปจะดูทอนน้อยทอนใหญ่เส้นเอ็นเมื่อหนังต่างๆมันเป็นอย่างไร มันจึงเกิดความตำหนักคอยใจมันจึงเกิดความสงสัยลังเลว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นอุบายปัญญาทิจะพิจารนาเรื่องของตัวให้รู้ให้เข้าใจให้ไปจับเมื่อมันเห็นมันเป็นเกิดอุคหาหะหรือปฏิภาษขึ้นมันจะมีความเบื่อการหนักในความหลุ่มหลงของตัว ไม่อย่างนั้นมันไม่ยอมปล่อยวางมันชื้อว่าตายเราตายเขาแบบสวยอยาอ่อยางนั้นงามอยา่างนี้มันจะมีความหมายไปต่างๆนานาแต่การพิจารณากายจึงควรพิจารณาแยบยถ่ายในจิตอย่าากันหลักการนอนจนเกินเขณฑ์เกินเวลา ในต่างหน้าต่างตาที่เจรนาและประเพประปฏิบัติเพื่อจิตใจข้องตนจะรู้เห็นเป็นริงตามทนแนะนำคำสอนของพระ์พระเจ้า